เทศโอปรมพระวันที่17กรกฎาคม2521น้ี่ปลุกใจดีมากเทศความล่มจมของชาติและศีลธรรมพระอยู่ด้วยกันตามหลักธรรมวินัยย่อมผาสุขไม่มีใครรู้พิษภัยอันเกิดจากกิเลสทุกประการยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี่เข้มข้นแต่ต้นจนจบสำหรับพระดีมาก ฟังอัดได้สําหรับผู้ปฏิบัติจริงท่างตุ่นมันก็ลงดดช่องนี้ถ้าไม่หลีเลี่ยงถ้าไม่แก้ช่งนี้ไปไม่รอดวางนี่เลยใครจะคุยโม้ขนาดไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ตามไม่รอดวางนี่เลยเพราะ น, นี่มันขวางอยู่แล้วมันติดกันอันตุ่อยู่แล้วทงไปไม่ได้นี้นอกจากตมเท่านั้นและใครอยากจมคนทัางประเทศใครจะอยากจมไม่มีใครอยากจม ความวุ่นวุไม่ใช่ของดีเป็นความคิดหาหวายป่วหมดความหมายไร้ค่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครต้องการความการหมดความหมายไร้ค่าจินวาเวลานี้ประเทศไทยเรากําลังมีคุณค่าไม่ได้ไร้ค่าคนทุกคนมีหัวใจเป็นคนเป็นเอ ก, เอกริสิทธิ์ระควรจะรักษาชาบ้านเมืองไว้ด้วยความท้อมเพียงสามคีมีความจึรับความดีต่อชาติ เรื่อการต้องปฏิบัติหน้าที่การงานให้ตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับเพื่อความมั่นคงและความเป็นอสิสระของประเทศชาติบ้า น, นเราเราได้พูดเป็นถึงแน่เราไพิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่ให้ถามหน้าว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำกระดูกนี้จากประเทศชาติบ้านเราโดยไม่หวังสิ่งต่อบแทนใดทั้งนั้นยิ่งกว่าผู้ที่ ตั้งหน้าปกครองซะอีกอนั่งก็ยังต้องอาศัยภาษีอความของประชาชนเป็นเสบียงอาหารพอมีทางมีแนวความคิดเรามันเป็นอย่างนั้นเป็นแบบพระถ้าเราขอทางขอทานแบบพระไปเลยกินแบบพระอยู่แบบพระอาศาาัประชาชนแบบพระแบบพระมานเป็นแบบราบเรื่องีงามแบบให้ด้วยความสมัครใจแบบให้ด้วยความยืนเยื้อแบบ ใ, ให้ด้วยความจําเป็น แน้าตามภาษีท่าความของประเทศชาติบ้านเางเขาจะให้ด้วยความจเเาเป็นเขาก็ยังพอใจถ้าดำเนินตามความประสงค์ของเขานี่เราฝุดถึงเรื่องโลกโลกอยู่ได้เป็นปรึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเพราะความพร้อมเพียงความสมั่อกีกัน ความดำเนินหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับซึ่งเป็นรากฐานอันย่ำแย่แห่งความสงบสุขโดยทั่วกั น, นะย่างเราเริ่มเข้ามาทำศาสนาก็คือหลักธรรมหลักวินัยที่จะให้พระเรามีความร่วมเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันเป็นฐานสุขไม่มีอะไรที่จะเละระแคะระคายทะเลาะบแ่แย้มจนถึงการแตรกล่าสมริกันก็เพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิสายมนุษย์ตา คือความรู้ความเห็นเป็นไปในหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันการทำพิธีปฏิบัติก็ดําเนินไปตามหลักธรรมหลักวินยัยไม่ผิดไม่เพีย้ยนด้วยเจตนานอกจากความรู้ท่องในถึงการนั้นมันเป็นไปได้แต่เรื่องเจตนาที่จะทําลายหรือที่ทําำผิดดังนั้นไม่ให้มีสําหรับนักบวชเราให้ดูเจ้าของสมมองทําวินัยอยู่ที่หัวใจ ใครไม่รู้เราก็รู้เองที่แจ้งพราะที่รับไม่มีมีที่แจ้งเกิดเผยอยู่กับหัวใจข อ, ง, อจงตัวเองจะทําอะไรไม่มีใครรู้ก็คือเราคนหนึ่งขึ้นเป็นคนรู้เราว่ามีอากาติยยาอย่างไรภายใน จ, จิตใจถูกหรือผิดประการใดเราพยายามทัง้งเจตจอดรู้ภายใน จ, จิตใจของเราที่จะเคลื่อนไหวไปในทางให้ผิดทำผิดในข้อดใดมาพาคนทั้งเจตจอดรู้ตั้งอ แล้วการอยู่ด้วยกันยจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยสําคัญยิ่งกว่าการเห็นตรงตามหลักธรรมหลักวินยัยใครจะพูดออกมาแสดงทสื่ออะไรออกมาก็าตามให้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องรับรองด้วยว ย, วยืนดนั่นแหละอยู่ด้วยกันเป็นพาร์ตสุลูกคิดประทับคดไม่มีเรื่องฆ่าขันวันหนะมีแต่สาสกยบุตรทัชญูรสเท่านั้นอย่าง เท่านั้นอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมีเราเป็นสาวพระยาบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าชาติชั้นวนรนณะซึ่งเป็นเรื่องของโลกแั้เข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าไม่เห็นไม่ถือความเป็นใหญ่กับสิ่งเหนั้นยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่จะเป็นเครื่องปกครองพระพทุกชาติชั้นวรรณะให้กลมกลืนเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันในเวลาที่อยู่ร่วมกันและให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่น ต่อแดนพ้นทุกข์เพื่อการประพฤติธปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศุกอยู่ภายในจิตใจได้จากความโลภความโสดความหลงราคะปัญหาสิ่งเหล่านี้เป็นเจียงเป็นน้ำเป็นยาพิษเทารนจิตใจให้เดือดร้อมีมากมีน้อยย่อมแสดงพิษสงให้เห็นอยู่เสมอไม่มีผู้ใดที่จะรู้พิษสงสิ่งของสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุธธทธเจ้าะพระองค์ทรงมีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาศ พิษไทยทั้งหลายที่เก่าวมั น, นีีและพระองค์ทรงสามารถชำระล้างออกได้ด้วยความภาคเพียรจนพระจิตมีความบริสุทธิ์วิมุตพระนิภานแล้วจึงได้นำธรรมนั้นมาสอนโลกทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการแก้ไขาชาล้างสิ่งส ก, กโปกโสมมอันเป็นพิษเป็นภัยนี้ทั้งผลที่สมได้รับแล้วมาประกาศขอโลกให้ทราบ โดยตลอดทั่วถึงเรื่อยมาจนากระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นคําว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสม่ำเสมอคงคงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถึงปัจจุบันสมัยปัจจุบันขอให้ดาเนินตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องถูกเรื่องมรรคผลนิพพานจะไม่ต้องไปถามไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนื อ, นนอมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้มัชฌิมาปฏิปทานนี้แหละ เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้พระไกรปิฎกพระสูตรพระวิญญาณพระปรา ม, มา์ซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจนี้ให้เปิดเผยออกมาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์ใจนี่ละเ ป, เป็นสิ่งสำคัญการเวลาสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมากาั้นกลางมรรคผลนิพพานมีตะกิเหล็ตันหาอาสวะซึ่งเรียกว่าสมุ ท, ทยัยยัสส แสดงผลเป็นทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าทุกขะสัตริย์งประการนี้เท่านั้นเป็นเครื่องกั้น ก, าากลางเมตตุนิพพานไม่ให้บรรลุถึงจุดมหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นการบุบเบิกบุบเบิกศัจ ะ, จะทําทั้งสองอันเป็นฝ่ปกปิดกําลังนี้จึงต้องบุบเบิกด้วยมัชฌิมาปฏิบาัตาิได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่จะกำจัดปัดเต่าหรือเบอิกบุบเบิก ทางที่ตีบตันอันตู้ไปด้วยกิเลสตัณหาอาสะวาความมืดมัวประการนี้ให้เปิดออกอย่างสว่างสไไวกระจิจากแส้งภายใจิตใจถึงมีมุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอํานาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละอานาจมัชฌิมา ป, ปฏิปทานนี่แหละเป็นผู้ทรงอํานาจมากที่สุดที่จะกําจัดกิเลสทุกประเภทมันจะมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออํานาจมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปได้เลย ขอให้ทําความเข้าใจตรงอย่านีน้อย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าสถานที่นู่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวโภคทั้งหลายท่างตรัสรู้อยู่สถานทีนนนท่ น, นู่นตั้งแต่ข้างโ น, น้นข้าง น, นั้ น, นข้างนี้ไม่มีธรรมควรนิพพานนั่นเป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องส่ ง, สงเสริมกิเลสและเป็นเครื่องประกาศความต่ำช้าเร็วตามความมืดบอดของตัวเองให้คนอื่นเห็นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนและทําให้คนอื่น พูดที่นิงความงงเขางวกเขาเดับบาปัญญาให้หลงเชื่อตามตีซึ่งเป็นความเสียหายอย่างมากมายไม่มีประมาณเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรร ม, มานุธรรมประปฏิปันโนปฏิบัติตสมควรทาสมควรจะทานั่นแหละชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของตถาคตและชื่อว่าเป็นการบูชาพระคุณของพระพุธทธเจ้าพระธรรมประสงค์ด้วยในตัว ทุปฏิปโนคือการปฏิบัติดี mm. ปฏิบัติอย่างไรที่เ mm. รียกปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติให้ตรงตามหลักทำหลักวินัยไม่เคลื่อนค้าม mm. ไม่ว่าคําบดวินัยน้อยใหญ่ขึ้นเป็นสุภาษิตธรรมที่จับได้ชอบแล้วทรงบัญญัติมาแล้ว mm. ให้เคารพดําเนินตามนั้น mm. อย่าข้ามอย่าเหยียบย่ทำทําลายจะเป็นการเหยียบย่ทำทําลายสถาคตซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาก็ได้แก่หลักธรรมหลักวินยัย อุชูปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวต่อมากต่อผลไม่มีโยกามิทใดๆมามีอำนาจเหนือการปฏิบัติตรงคือตรงแนวต่อมากต่อผลต่อมิถานด้วยการพูดปฏิบัตดิดีชอบเนี่แหละมา ย, ยะปฏิปันโนปฏิบัติทุกความวิ่งหิ้วเต็มโดยถ่ายเดียวไม่ปฏิบัติทุกความวิ่งหลุนงงาน ดังที่นี่เอ่งนี้ไม่ว่าท่านมาเราถึงปฏิบัติรุ่มๆแล้นี่มีเลยการเรื่งปฏิบัติเพื่อโลกาภิประเทเสียงแลที่มีการบวชมาในศาสนาแทนที่จะเป็นการําระสสารกิเลสกลับมาสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าคารวะซะอีกก็มีเยอะนะนี่มันไม่ใช่ญาณะปฏิบัตนูไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความมุ่งมิตรแทจริงแต่กลับกลายเป็นปฏิบัติเพื่อความรุ่มเรืงลงมา เขาดูถูกเหยียดหยามทั้งผู้ทำอย่างนั้นด้วยทั้งศาสนาที่เป็นของมุสุกก็ถูกโรกเขาตำหนิเพราะอาศัยผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้ด่างพอ่อยุงเสียหายด้วยสามิกิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ทมอย่างยิ่งไม่มีที่ต้องติหน้ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจดังท่านกล่าวไว้ว่าปุญญกิจ ต, ต, ตังโลกัสสัท สุดท้ายและผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงสุปฏิปโนุชุญายะามิีกีนี่คืออะไรใจดำจัตายผู้ น, นิสัยยุงายะอัตถุนิสสะปุขลาเป็นคู่แห่งบุคสี่เมื่อกล่าวเป็นคู่แล้วเป็นคู่แห่งธรรมสี่ก็ได้เป็นบุคคลแปล คืโสดาปฏิมาโสดาปฏิบุญเป็นคู่หนึ่งการเป็นมากเป็นคู่ในการทำสี่เป็นเอกเทศในการทำแปดโซดาปฏิมาโสดาปฏิบุญสี่าาธาตุการมากัึงมาสร้างอาถรรพมัอาถรรพ์สมนเป็นคู่คู่สี่คู่เป็นแปดที่ท่านว่าคู่แห่งบุรุษสี่เราอยากเข้าใจว่าสี่คนมาบรรลุธรรมนะอืมนั่นเป็นความเข้าใจผิดบุคคล เป็นน่าเป็นบุคคลแตกนั้นหมายถึงคนคนเดียวผู้ปฏิบัติผู้นั่นเลยจะได้รับทั้งโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลเป็นสมบัติของตนด้วยสกิทาคามะสกิทาคาผลอนณาคามะอาณาคับผลอราราสมากราสผลเป็นของตนด้วยน่ะมันอแยกเป็นแปดก็อย่งที่บรรยายมานีน้เอาสาภควาโตสาวคตังโกนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้า ในโยป่าในโยทักจินโยนั้นเป็นผู้ควรแก่ทักจินท า, ทานเป็นผู้ควรแก่สิ่ต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณชื่อว่าทายาทางเครื่องจักพระบูชาของประชาชนเขาจะนํามามากมาน้อยไม่นอกหนือเนาะหรือไม่มีคุณค่าเกินทําเหล่านี้เกินท่านผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้ไปได้เลยสามารถรับทักจินทานของเขาให้เป็นที่ภูมิใจแก่ ยกขึ้ิกาได้โดยสมบูรณ์เอสสะโกะโตสาวเขสังโคท่านเหล่านี้แลคือสาวของพระพุทธเจา้านั่นนี่แหละการปฏิบัติตามหลักมัชชิมามีผลจะพึงได้รับอย่างในผู้ปฏิบัติคนคนเดียวนั่นแหละมีทั้งทาคู่สี่คู่มีทั้งทำเอกเทศเป็นแปผู้นั้นจะพึงได้รับคนเดียวไม่ใช่จะ ไปรวมคนนั้นคนนี้เข้ามาอยากเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดอัถปุริสสะภูกรลาเป็นคู่แห่งบุรีคู่แห่งธรรมสี่เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นประเภทแห่งธํามแปดเมื่อเข้าสู่บุคคลเข้าสู่หญิงก็เรียกว่าอคู่แห่งสตรีสี่ก็ได้อคู่แห่งบุรุษสี่ก็ได้ แล้วเมื่อเป็นเอกเทศแล้วผู้แห่งบุคคลเป็นเป็นธรรมแห่งบุคคลแปดก็ได้คือบุคคลนั้นกลางๆทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งนั้นคือได้ทั้งหญิงทั้งชายการปฏิบัติไม่มีเพศเรื่องมรรคผลยุควาลและไม่มีเพศเหมือนกับกิเลสไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโสดความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปฏิบัติจริงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยอำนาจ ความสามารถของตนน้อมอมีทางดูพ้นได้เช่นเดียวกันมรรคผลนิพพานท้าคายอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสราคาตัญหาท้าคายอยู่ภายในใจิตใจของเราทุกขณะเวลานี้เพ ะ, ะนั้นขอให้ผิดสติปัญญาศรัทธาความแจงขึ้นมาให้เด่นโดยลําดับลําดับด้วยความรุ้สากพยายามเถิดมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่จิตดวงที่กําลังโสมเวลานี้ ด้วยสิ่งสปกปรกทั้งหลายเข้าไปพอกผุ้งแล้วจะเด่นชัดขึ้นมาด้วยความสะอาดทองใสจากทองใสกับบริสุทธิ์เมื่อกิเลสอาสวะปรากหมดแล้วกระบริสุทธิ์ขึ้นทนีี้รู้ทำจะรู้ที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ไหนก็เช่นเดียวกับที่รกรุงลังมันมีอยู่ที่ไหนความเปลี่ยนโลกจะมีอยู่ที่นั่นเมื่อปราบสถานที่ที่รกรุงลัง หากตัดต้นไม้ดายยากแล้วความเจียนโล่งจะไม่ถามหาที่ไหนจะเกิดขึ้นจากที่โบกุลงลังนั่นแหละมีจิเลตเป็นเครื่องรบกุลงลังฟังในภาจิตใจให้พยายามถากถางด้วยถีมด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อกิเลตถูกถาถูกถางถูกเผาด้วยตับประทานลงไปโดยลําดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วความโล่งอ be ันฝุดขีดก็ปรากฏขึ้นภายในใจความโล่งอ <and> ัน <t> ฝ <anya> ุด <Grade> ขีดสมมุติแล้วนั่นแหละ ท่านเรียกวันนิพพานท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ให้ชื่อว่าบริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นจะให้ชื่อมาชื่อไม่สําคัญขอให้เจอเถอะขอให้รู้เถอะเป็นที่พอใจเป็นที่เหมาะสมอย่างนี้ไม่มีอันใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุดธิ์งใจนั่นเองทีแรก็ดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ก่อนเมื่อดําเนินไปไม่หยุดไม่ถอยแล้วจนถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะเป็นมัชฌิมาบริหลักธรรมชาติได้แต่ใจที่บริสุทธิ์ เต็มภูมิแล้วรู้เองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันถามอะไรเช่นเดียวกับเรารับถามนับทานรวมบงกันร่วมวงกันอยู่กี่คนก็าตามความอิ่มจะไม่ต้องถามกันเลยความเผ็ดความเค็มอะไรต่างคนต่างมีลิ้นสืิวหาภาษาทราบด้วยกันทุกคนความเอร์อะไขนาดไหนทราบด้วยกันทุกคนไม่จําเป็นต้องถามกันจนกระทั่งทิ้งความอิ่มหนำทั้งลายความเพียงพอแต่ภาคขารคิด ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับทายซึ่งเป็นของประจักรายนาธาขันและจิตใจของของแต่ละคนละคนก็โดยสมบูรณ์เองไม่ต้องกระถางกันมีหลักธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันท่านที่เรียกว่าสันพิติโกจะเห็นเองปั จ, จตันเวดิตะโบวินยูท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำพะตนเมื่อรู้จำพะตนแล้วต่างคนต่างรู้ด้วยกันเหมือน ก, นกันกับต่างคนต่างอื่นด้วยกันถามกันหาประโยชน์อะไร เพราะมัเหมือนกันนะนี่เองที่นี่แลที่ว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามพระ อ, องค์บ้าข้าพระ อ, องค์ถึงนีพผานแล้วยางข้าบระองบริสุทธิ์แล้วยังด้วยความบริสุทธิ์ข้าพระองค์เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระ อ, องค์เป็นอย่างไรงถามไปทำไมาไม่มีผานยกตัวอย่างเช่ น, นรับทรพขุนี่เขาไปทูลถามพระพุทธเจ้าในปัญหาสําคัญตอนสุดท้ายกาเดชพอ ไปถึงใต้ถืนพระกตบุญดีนั้นเวลานั้นฝนตกหนักเลยไม่กล้าขึ้นไปพูนฐานท่านก็ยืนปีที่ตรงนั้นพิงเสา อ, อยืนสังเกต ด, ดูน้ําฝนตกมายดโดดด้อ ย, ย, ย, ย, ย, ยลงมาจากชายคาลงมากระทบน้ำข้างล่างข้างพื้นนี่ก็ตั้งเป็นกาต่อมขึ้นมาตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเมื่ออาศัยความกระทบของน้ําข้างบนกับข้างล่างกระทบกันก็ตากวดเป็นฟองเป็น ต่ำขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาเทียบเทียงกับสังขานที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดีก็ดับชั่วก็ดับทางการก็ดับนี้ความกระทบกันชั่วขนาดขนาดแล้วดับไปดับไปเทียบเทียงกับเหตุผลภายในนี้บร้นรู้ทำเสียในขณะนั้นพอฝนตกหยุดงั้นท่านเดินกลับบุตริกไม่ไปคูนถามพระที่จะาเลยหนักดูสิบางท่านิก่อนจะไปคุณถามปัญหานี้อยู่แล้วอยกอาศัยฝนนั่นเนี่ยเป็นอาจารย์อเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไป นำเข้มาเทียบเทียงกันได้กับสังขารเราทาที่มันชิดมันกลุ่มีอวิชชาเป็นผู้ผลักดันออกมาพอรู้ได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็หมดปัญหาไม่ต้องทูลถามนั่นแหละเพราะธรรมชาติแห่งความนนมืบบดมนนั้นเป็นเหมือนกันกับทุทธเทชาเช่นเดียวกับความอิ่มนั้นเป็นเหมือนกัน จึงไม่จําเป็นต้องถามกันว่าใครอิ่มีลักษณะอย่างไรก็มีมังคามีลักษณะเช่นไรก็มีมังคบมีลักษณะเช่มมนนี้ความอิ่มของข้ามีลักษณะเช่นนี้จึงไม่จําเป็นต้องถามกันอย่างนีน้ซึ่งเป็นการประกาศความโมโของตัวเองความชั่วของตัวเองความเลวหลังตัวเองมิยื่นธรรมว่าเป็นอย่างไรอันใดที่จะบริสุทธิ์อันใดที่จะถูกตั้งแม่นยำยิ่งกว่าสนธารธรรมนี้หานที่ในโลกนี้ไม่เห็น แล้วก็ปฏิบัติมานานเรียนก็เรียนมาหลายปีก็ไม่สิ้นสงสัยเรียนเป็นเจ็ดปีเรียนหนังสือทางด้านปริยัติมันก็ไม่สิ้นสงสัยเวลาจะเอาจริงเอจาจังยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นคำว่าจะเอาจิงมาจังจะหยุดจากการเรียนแล้วที่นี่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆอย่างเต็มใจแล้วก็เลยมาเกิดความสงสั ย, ยผผนี่มรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่นะนะถ้าว่า มีผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมาชี้แจงให้เราทราบอย่างถึงใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบไหว้ผู้นั้นอย่างถึงใจงทันทีแล้วจะสละชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นโดยไม่เสียใดเลยตายก็เพื่อบูชามรรคผลนิพพานนั้นเสียทีเดียวทายจิตส่งจิตไปหาใครมันก็ไม่ติดไม่เกาะ ทรงถึงท่านอาจารย์มั่นติดปักติดปักเพราะได้เคยปรากฏชื่อหรือนามของท่านมาเป็นเวลานลานเลยว่าท่านอาจารย์มั่นนี่เป็นพระญยบุคคลไม่ใช่เป็นพระธรรมดามีทั้งฝ่ายพระราชาซึ่งเคยใกล้ชิดเป็นกับท่านก็พูดอย่างนี้ทั้งพระที่เคยไปอยู่กับกับท่านเป็นเวลาหลายปีมาพูดก็พูดทํานองเดียวกันว่าท่า น, น, นพระท่านพอาจารย์มั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระญาบุคคลที่ทัื่อรานี้น พุ่งไปถึงข่านอาหารหัตผลของท่านอาหารหัตของท่านนะนะมันจะบึ่งถึงท่านเลยพอไปถึงท่านท่านชี้แจงอะไรออกมานี่เหมือนก๊อถอดออกมาจากดวงใจเหมือนว่านี่หน้านี่หน้านี่หน้าม<อ>รรคผลนิพพานหาไปไหนงมไปไหนคลำไปไหนเนี่ยดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำฟ้าเป็นฟ้าอากาศเป็นอากาศอฟ้<อ> า, าแดดดินลมเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่มรรผลนิพพานนี่มรรผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงที่สิเลส กำลังรุมอยู่นี่เวลานี้ให้แก้ตัวนี้ออกด้วยสีด้วยสมาธิด้วยปัญญาหนนมีหนามีหน ะ, นหนะเหมือนอย่างนั้นจิตมันก็ถึงใจทีเดียวธรามะท่านถึงใจถึงปังเถกราบท่านดันถึงใจที่นี่หายสงสัยเรื่องนับผลุพานนี่เป็นนั้นว่าหายสงสัยแม้เราจะยังไม่รู้ไม่เห็นพระจัดใจก็าตามเอาเธอที่นี่ว่างนั่นหตายเป็นตาย ขอให้ได้ส่งไว้ชึ่มรรคผลนิพพานเท่านั้นกับตายเท่านั้นถ้าไม่รู้จะตายก็ตายไปเมื่อตเมื่อไม่ตายให้รู้เพื่อการปฏิบัติเอาจริงเอาจางังตั้งแต่บัดนั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตรุมบอนเราออกปฏิบัติเราเอาจริงเอาจางังเป็นตรุมบอนเลยไม่มีเวาาลารับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันแรกออกปฏิบัติเพะต่อสู้กับที่เหลวทุกประเภทอืด้วยวิธีการต่างๆงฝึกผลทรมานตน ดังเคยเล่าให้ฟังแล้วจนกระทาั่งจิตได้มีสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลําดับลาดับลาดับเป็นความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็กํำเนินทางด้านปัญญาจงมีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นลําดับลำดับเห็นคุณค่าของปัญญาว่าสามารถที่จะถอดถอนกิเลสได้ทุกประเภทก็ยิ่งมีความกระยิ่นความรู้ ษ, ษาพยายามก็ามาเองอะไรก็ามาเองจากนั้นก็เลยเป็นธรรมจักไปเลยะ หมูติ่วติ ว, ตวทั้งกลางวันกลางคื น, น, นสติก็กลายเป็นสติอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสแล้วก็ย่นเข้ามาพิจารณาเรื่องกายของตนจนกระทั่งเห็นแจน่มแจ้งชัดเจนตอยว่างได้ตามเป็นจริงของสิง่ตเหล่านี้เา้ายังเหลืออะไรเมื่อรูปกายก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นไอ้จังทุขัตขาางตาเรื่องอริยสุภสังข์ก็เต็มใจคือหมายว่าถึงใจเรื่องว่าธากุประขันประถึงใจในส่วนรูปรธาตุนี้ แต่นั้นกับพิจารณาในเรื่องเวทนาคือใจเวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันปล่อยเองนะอืทําถ้ายังไม่ปล่อยก็เหมือนกับรับรับทานยังไม่อิ่นแล้วหยุดรับทานไม่ได้ ร, รับทานไปจนกระทั่งอิ่นแล้วจะบอกตัวเองหยุดเองอาหารจะมีความไร่อยอร่อ ย, ออยขนาดไหนก็ตามเมื่อธาตุขันท์พอแล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่ยอมรับอีกอันนี้กิจเมื่อพิจารณาเรื่องรูปประขันเป็นต้น จนเป็นที่พอใจเห็นแจ้งแจ้งชัดเจนทเทียบได้ทุกสัตทุกส่วนแล้วสลักปักทิ้งทันทีนี่เรียกว่าส่วนรูปกายละไปได้อย่างเด็ดขาดรู้จักใจส่วนเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณที่มันเกี่ยวทั้งทา ง, ทงส่วนร่างกายและจิตใจประสานกัอนอนี้ก็พิจารนาจนเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาของอจิตจิตมีความกล่อมใสจิตมีความสุขก็เป็นทุกขเวทนาก็เป็นสุ ข, ขเวทนา ทุกเวทนาก็เป็นสัจธรรมทุกขเวทนาก็เป <hole teeth> <ail> <grinding> ็นสัจธรรมนัไม่เอาแต่ว่าทุกเป็นสัจธรรมนะคมีเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วสุก็เป็นสัจธรรมได้นั่นอันนี้ในตำราท่านมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบนะท่านีได้ยินแต่ว่าทุกขังอริยสัจจังท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นในทางภาคปฏิบัติที่รู้เห็นขึ้นมาทุกขังอริยสัจจังนี่เป็นสิ่งที่โลกเห็นได้อย่างชัดเจนโลกไม่ติดโลกมีความเกลียดหนายเบื่อที่สุดกลัวที่สุด สุขขังอดิยสัจจังนี้โลกมีความติดพันความติดพันนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งอพอหลงความสุขนั้นเพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงเป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันะเวลาถึงขัน้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นทงางภาคปฏิวัติเองโดยไม่มีใครบอกมันก็ตามทั้งสุขทั้งทุกเวลาจิตมีความผองใสขนาดไหนมีความสุขรรมนันก็รู้ว่านี่สุขความสุขอันนี้เป็นสุขเวทนาสุขเบญญานี้ก็เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นของเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือ แยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งเข้าใจทั้งทั้งเบญปนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงอะไรเลยแล้วอย่างมันกระทั่งถึงจิต<ม>อาการเหล่านี้มาจากไหนถ้ามันมาจากจิต<ม>อะไรเป็นตัวการอยู่ภายจิตเมืม่อพิจารณาถึงขนาดนั้นแล้วจิตมันว่างหมดะ ม, มันว่างเหมือนเป็นอากาศประทัดทั้งหมดมถึงขั้นมันว่างคือจิตว่างมันมีอยู่สามขั้นของการปฏิบัติ หนึ่งว่างในเวลาสมาธิจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างจากอารมณ์ทั้งยาอะไรถึงแม่สิ่งใดจะมีอยู่ก็ตามแต่จิตไม่สนใจเหลือแต่ความรู้อยู่ว่างเปล่าเท่ตนั้นก็เรียกว่าว่างเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วก็ไม่ว่างขั้นที่สองพิจารณาร่างกายจะหมดไม่มีอะไรเหลือปล่อยว่างร่างกายได้ด้วยแล้วทีนี้จิตก็ว่างพเมธนาสัญญาสังขารยานยังมีอยู่คือยังติดกันอยู่พิจารณา เนตนาสัญญาสขารวิ ญ, ญาณจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นรากฐานของอวิชาอยู่ทุกที่ทุ่กนั้นจนมาะทั่งอวิชากระจายออกด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยได้แก่สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาจุดแห่งวิชากระจายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือยลนั่นจึงว่างแท้เนีา่าว่างโดยประการทั้งปวงว่างทั้งจิตด้วยว่างทั้งสิตทั้งหลายด้วยว่างทั้งจิตด้วยไม่ยึดมั่น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 เมื่อเข้าถึงธรรมนั้นแล้วก็เป็นมัจจิมาโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงโดยหลักมัจจิมาโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นอันว่าหม ด, หมดเรื่องภาระธุระอะไรอิดน้อยอิดใหญ่ที่เกียบกับเรื่องกับกิเลสนี้เรียกว่าหมดถ้าเป็นชนะเอาชนะชั้นเอกเรียกว่าเอกังจักรชยมัตตานังเสวะสร้างรามชุตตโมผู้ชนะตนคือกิเลสของตนทุกประเภทกิเลสทุกประเภทของตนได้โดยเด็ดขาด แล้วผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐความชนะนั้นแหลเป็นความชนะอันประเสริฐนะในเบื้องต้นท่านกโยตาตั้งชาเสนับตั้งยาเมีมานุเสชิเมการชนะคนอื่นจกคูน ด, ด้วยล้านกว่าตามการชนะเหล่านั้นหาความสุขไม่ได้นอกจากการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกันและกรันรมไม่มีที่พิ้นุจนะตันว่างนั้นแต่เอกจาชเทมตแต่นงังเทสังยามีก ม, มูผู้ใดที่มาชนะ พิเรศ ข, ของตนไทยในเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั่นแหลเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าการชนะสงครามทั้งหลายเหลานั้นนี่มีการจบการสิ้นได้งานของศาสนามีมการจบสิ้นหนูได้ไม่เหมือนไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกนี้ทำจกนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีสิ้นสุดจำเป็นก็ต้องตายไปัะก่อนหาเวลาว่างไม่ได้ว่างได้แต่เฉพาะเวลาตาย มีที่จุดหมายปาทางที่ไหนแต่งานของศาสนางานแก้กิเลนนี้มีทางที่ีท่สุดจุดหมายปลายทางได้ดาาไดเช่นพระพรุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเมื่อสิ้นสุดจุดหมายปลายทางแล้วท่านก็อยู่สบายรวุชิตังประมจราจิยาเนยสิ้นเสร็จการพรงอื่นพรมอาจารย์ได้อยู่จบแล้วกระตังกรณียังการละการถอนกินเลน ก, การบําเพ็ญจิตให้มีระดับสูงขึ้นโดยระดับ ก, ก็ได้เส้นสูดลงไปแล้วนาประหลังตายคิดอื่นอยากกินอย่างอื่นที่ท่ายิ่งกว่านี้อีกไม่มี นัดติดานี่ผุนับผวโบบัดนี้ความเป็นอีกคือการเกิดอีกตายอีกตายช้ำๆสักๆนักอีกาอกาอกาอ่าอะไรเพื่อนชาติพู้นับผุนังดูข้าชาติผุ้นับผูนังการเกิดบะบอด ก, ก็คือการตายการการเกิดการตายบ่ ก, ก็คือการทุกอยู่ไม่อยู่นั่นเองนี่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากใจดวงนี้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเป็นจิตตวิมุตติุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงนี่ชื่อว่าผู้เส้นสิ้นเส็จ เรื่องการงานของศาสนาเพราะฉะนั้นทุกก็ขอให้ทุกไปเถอะทุกเพื่อมาผลานิพพานทุกเพื่อการตอบถอนตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้ท้อถอยเพื่อการต่อผู้เอาชัยชนะสนับตัวเองเราจะไปท้อถอยได้อย่างไงถ้าเราท้อถอยกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายเ่าอยู่ที่ไหนนอนดูก็กิเลส บ, บังคับยืนเดินนั่งมีแต่กิเลส บ, บังคับเกิดชาติใดพบใดมีแต่เป็นนักโทษให้กิเลส บ, บับงคับบัญชา อยู่ตลอดเวลามันดีแล้วเหลือความเป็นนักโทษนั่นนะความเป็นอิสระนั่นต่างหากน้ะดีเพราะฉะนั้นนีงแก้ลงไปขนาไปลงไปตัวไหนที่มันเป็นตัวกโขีบ่บังคับเราจะแก้ด้วยวิธีใดอืมมัชฌิมาปฏิปทาบอกแล้วนี่คือเครื่องมือฆ่าสิ่งโกฏิบังคับทั้งหลายอันเป็นเจ้าอำนาจตั้งแต่พิเดษเจ้าวัตจกักรนี่ให้ทำลายสลายที่มัไปแล้วนั่นแหละเป็นอิสระที่นี่ไปไหนก็ไม่ต้องเป็นนักโทษดูปกติอย่างนี้ก็ไม่เป็นนักโทษ ชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่เป็นนักโทษท่าดขันเจ็บปวดเกือดร้อนอะไรก็ไม่ระเกื้อถึงจิตใจรู้เท่าทานตามธรรมชาติของมันไม่ยึดไม่ถือหากว่ามีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการนัหลือจะไปหรือไปก็ไปไม่ห่วงไม่ใายไม่เสียดายไม่คัาด้านถึงการไปก็ไปถึงยังไม่ไปหรือก็อยู่ไม่ว่าพอเรียนจบแล้วทั้งการอยู่และการตายล้วจะหาปวามรู้มาจากไหน นี่คือความเป็นอิสระของกิตเมื่อพ้นจากนี้แล้วก็เป็นอิกดิ์เต็มคงไม่ต้องมีการรับผิดชอบเริ่มท่านเรื่องขันอันเป็นเรื่องของสมมุติวุ่นวายนี่เลยผ่านขอใทุกท่านหน้นเอาทินิษฐ์พิจารณาพิบปฏิบัติการเทศนี้เทศตามหลักความจริงที่เราพิบัติบัติมาไม่ได้นำมัเมานำมาด้านมาเดามาสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติก็เอาตายเข้าว่าไม่ได้นึกเลยว่าเราจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สองหมู่สองเพื่อนใครจะมาเกี่ยวข้องกับเราเราไม่เคยนึก นอกจากเราสนใจปฏิบัติเราโดยจำพังเท่านั้นให้ขอความพ้นทุกข์โดยขอเดียวฉะนั้นไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดแต่แล้วพรได้มาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอ ย, อย่างที่ว่านี้นมันขอให้เห็นใจที่ว่าสั่งสอนอทุกท่านทั้งหลายนะ่ะสั่งสอนด้วยความด้วยความถึงกอกถึงใจสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารสั่งสอนด้วยความสงเคราะห์มุเคราะห์เหมือน อ, อวัยวะอันเดียวกันจริงๆแล้วผู้จะหนึ่งถ้าเทียบแบบโลกก็เหมือนลูกของผม บรรดาท่านทั้งหลายที่มาอยู่นี้ผมเป็นเหมือนพ่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นเหมือนลูกเจ้าพาอพ่อแม่กับลูกทําไมจะไม่รักกันทำไมจะไม่จงรักพักดีต่อกันมีอย่างเหลือยิ่งเป็นฝ่ายธรรมเลยนะยิ่งเป็นของละเอียดสุ ข, ขุมมากขอให้นําธรรมะตามหลักเหตุผลที่แสดงนี้ไปปฏิบัติเอาตายก็ตายเถอะโลกเขาตายได้ทั้งนั้นเลย เราตายโดยการประพฤติปฏิบัติกำจัดที่เหล็กกันหาอาตาก็ตายยิ่งมีคุณค่าตายในสงครามเรียกว่าตายมีเกียรติสงครามก็คือสงครามระหว่างที่เหล็กกับธรรมนั่นแหละออาละแสดงไปตรง น, นี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายผมเพิ่มไปวันนี้พูดเสียงดังเพื่อหน่อยถ้า <laughs> พูดจะมาอย่างนี้มัน